มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาจะตุถวักอุติถะอุทระปัญหาที่เจ็ดถามว่าตรัสสอนให้ภิกษุสำรวมท้องเหตุไรพระองค์เองฉันจังหันเสมอขอบบาทและยิ่งกว่าเล่า สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าข้าแต่พระนาค เ, เสนผู้ประกอบด้วยปริชาญานภาสิตังเจตังคำนี้สมเด็จพระพิชิตามานโมลีเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสว่าภิกษุควรมีเพียรในการบินทบาทเลี้ยงท้องอย่าได้ประมาทลืมตนและควรเป็นผู้กวนขวายสมรุมท้อง อย่าได้บริโภคอาหารมากยิ่งประมาณปุณณาจะครนานมาเล่าสมเด็จพระสัพพันยูเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสว่าดูกระอุทายีบางคราวตถาคตนี้ฉันจังหันเพียงเสมอขอบบาทนี้บ้างยิ่งกว่านี้บ้างนี่แหละจะเชื่อคำหน้าหรือคำหลังก็จะผิดรั้นจะเชื่อคำหลังคำหน้าก็จะผิด ายังปันโโหอันว่าปริศนานี้อุพัโตโกติโกมีเงื่อนเป็นสองไม่ต้องการนิมนพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาให้แจ้งในการบัดนี้พระนาค เ, เษนถวายพระพรว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารซึ่งสมเด็จพระาศาสดาจารย์มีพระพุทธดีกาตรัสว่าภิกษุไม่ควรประมาทในการบินทบาทเลี้ยงท้อง และควรเป็นผู้สมรวมท้องของตนพระพุทธดีกาณีปรากฏทั่วไปแก่พระอรหันต์เจ้าและพระปจเจ ก, กสัมพุทธเจ้าและพระสัพพันยูเจ้าทั้งหลายและคำนั้นเป็นสภาวะจะกล่าวโดยแท้ในทางธรรมมหาราชะดูกระสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารบุคคลประกอบการมิได้สมรวมท้องนั้น ปานังปิหนานติย่อมฆ่าตีซึ่งสัตว์บ้างอธทินังปิอาทิยติถือเอารัพย์อันเจ้าของมิได้ให้บ้างประารังปิคัชฉิซ่องเสพกาเมสุมิฉาจารบ้างมุสาปิพนติเจรจามุสาส่อเสียดสัมผับปลาปะวาทตลกขนอง พระรุษวาธยาบช้าด่าทอล่อลวงท่านเป็นการมุสาวาดบ้างมัดชังปิปิวัติดื่มกินซึ่งสุรายาเมาเพื่อจะเลี้ยงท้องของอัตมาบ้างมาตาราังปิชีวิตตาโวโรเปติปลงเสียซึ่งชีวิตมารดาบิดาบ้างฆ่าเสียซึ่งพระอรหันต์บ้างกระทําสังฆเพทและโลหิตตุปปาบาทด้วยจิตอาฆาตประทุษร้ายบ้าง ทางนี้ก็หมายจะให้เกิดลาบสการะเลี้ยงท้องของตนจึงกระทาไปจะเหมือนหนึ่งใครเล่าบ่อพิทพระราชสมภารปานดุจเทวทัตอุทเรอสัญญาโมมิได้สำรวมท้องของอัตมาสังคังพินทิ ต, ตวากระทาสังฆเพศเหตุชะนี้จึงไปไม่อยู่ในอวิจีนรกมีกำหนดกันหนึ่งนี่แหละ สมเด็จพระพิชิตามานโมลีเจ้าพระองค์เห็นเหตุชะนี้และกิจเหล่าอื่นซึ่งเป็นไปคล้ายกับที่ถวายวิสัชนามาแล้วนั้นเป็นอันมากจึงตรัสสอนให้สำรวมท้องแห่งอัตมามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเมื่ออยู่ขาวว่าจรเจ้าผู้ใดมิได้ประมาทลืมตนมีเพียรขวนขวายในการสำรวมท้องแล้ว ก็อาจสำเร็จแก่จตุสัจจาพิสมัยคือจะได้สำเร็จแก่พระอริยสัต์ทั้งสี่มีพระทุกขสั์เป็นต้นมีมรรคสั์เป็นปริโยสารกระทําสามัญญาผลทั้งหลายให้แจ้งและจะได้พระปฏิสัมพิทาสี่พระสมาบัติ8และอภิญญาหกประการถึงซึ่งภาวะชำนานคล่องแคล่วสำเร็จในสมณะธรรมทั้งปวง บพิษพระราชสมภารจะไม่ได้สวนาการทรงฟังบ้างแลหรือว่ายังมีสุวรรณโปดกนกแขกเต้าตัวหนึ่งสำรวมท้องของอัตมาจนโลกไหวตลอดถึงพิภพดาววดิ่งสมเด็จอมรินต้องลงมาปฏิบัติสุวรรณโปดกนั้นให้ได้รับความสุขด้วยเดชแห่งสุวรรณโปดกนั้นถือสำรวมท้องบริโภคอาหารพอให้ชีวิตเป็นไป สมเด็จพระไตรโลกกาโมลีเจ้าทรงพิจารณาเห็นคุณทั้งหลายเป็นอันมากเห็นป่า น, นี้จึงมีพระพุทธดีกาตรัสห้ามไม่ให้บริโภคจนเหลือประมาณให้รับประทานพอควรแก่ท้องสำรวมท้องของตนไว้พระพุทธดีกาที่ตรัสกับพระอุทายีว่าดูกระอุทายีตถาคตนี้บริโภคอาหาร พอประมาณเสมอขอบบาทนี้บ้างอปเปกขาบางคาบเล่าทถาคตบริโภคยิ่งไปกว่านั้นสมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าตรัสทั้งนี้ด้วยสามารถพระองค์ขาดกิเลสสำเร็จแก่พระโพธิญาณแล้วได้กระทำกิจทุกอย่างอันเป็นจริยาของสมณะเสร็จสิ้นแล้วมิใช่ผู้จะต้องศึกษาบำเพ็ญเพียรสืบต่อไป เปรียบานดุดบุคคลเป็นโรคให้ลงให้รากและเป็นไข้ต่างๆหมอก็ห้ามของแสลงเพื่อจะให้สบายหายโรคจึงห้ามของแสลงสำรวมท้องของอัตมาไว้ชั้นใดอั น, นึ่งบุคคลที่ประกอบด้วยกิเลสอย่างมิได้แจ้งเหตุในพระจตุราริยศาสนั้นเหมือนบุคคลเป็นไข้พึงให้สำรวมท้องของอัตมาไปกว่าจะขาดจากกิเลส เมื่อขาดจากกิเลสแล้วจะสำรวมก็ได้ไม่สำรวมก็ได้อุปมาฉันใดนะบพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุดแก้วมณีอันดีมีรัสมีเลื่อมประพัสสอนเป็นแก้วอันมีค่ามีชาติอันบริสุทธิ์สงศีจะได้มีกิจต้องขัดหาไม่ได้อันพุทธวิสัยนั้นมีพระบารมีเปี่ยมแล้ว และจะหาซึ่งโทษที่จะกีดกั้นอยู่ไม่ได้อุปมาเหมือนแก้วมณีมีรัสมีอันบริสุทธนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชาได้ทรงฟังก็ทรงพระโสมนาตรัสว่าสำปฏิจฉามิโยมจะรับไว้เป็นข้อวัตรปฏิบัติแห่งกุลบุตรอันเกิดมาภายหลังอันเป็นปัจฉิมาชนาตาในการบัดนี้ อุติตาอุทระปัญหาเป็นคำรบเจ็ดจบเพียงนี้